Thank you. มีญาติโยมหลายคนมามาหาบ้างก็มาเพื่อถวายเาทียนสังฆทานแต่บ้างก็มีความทุกข์ใจจะมาขอคำแนะนำก็มีโยมคนหนึ่งสีหน้าก็อมทุกข์แล้วก็มาปรึกษาว่า ตอนนี้มีหนี้สินเยอะก้อนใหญ่ก็เลยมีความจาเป็นที่จะต้องเอาที่เนี่ยไปขายเพื่อมาใช้หนี้แต่ว่าประกาศขายไปนะนานแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อนะก็มีความทุกข์ใจว่าจะใช้หนี้ได้อย่างไรตัวคนถามก็ มีความอยากจะขายที่ให้เสร็จไวๆนะแต่ก็ดูยังไม่มีวี่แววว่าจะขายได้เมื่อไหร่บางเอินนะอาตมาก็ไม่ได้มีความสามารถอย่างหลวงพ่อคูณนะที่จะเหยียบโฉนดเพื่อให้ความหวังว่าจะขายที่ได้ไวๆแต่ก็ให้ความหวังกับเขาไปว่า เมื่อถึงเวลาก็ขายที่ได้เองกันนะเพียงแต่ว่าเจ้าของตอนนี้เขายังยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเจ้าของตัวจริงเขามาถึงเมื่อไหร่ก็ขายได้เองแต่ขณะเดียวกันก็ให้ข้อคิดเข้าไปนะว่าให้ลองมองแบบนี้ซื่งว่าถึงแม้ว่าเราเป็นหนี้นะ แต่อย่างน้อยเราก็มีทรัพย์สินนะที่จะขายใช้หนี้ได้มีคนจํานวนมากนะที่มีหนี้แล้วไม่รู้จะทําอย่างไรนะไม่มีอะไรหลงเหลือเลยอันนี้คุณยังดีนะที่ยังมีที่แล้วก็ที่คงจะมีราคาพอที่จะชดใช้ชําระหนี้ได้หมดจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเรามีความทุกข์มากเพียงเพราะว่าไม่มีเงินที่จะใช้หนี้ มันมีหลายคนนะมีคนจานวนมากมายที่เป็นเศรษฐนะีร้อยล้านพันล้านเขาไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ว่าเขาเป็นโรคร้ายนะที่รักษาไม่หายจะเป็นมะเร็งนะหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรืออัลไซเมอร์ที่กำลังลุกลามต้องคิดดูนะว่าถ้าระหว่าง การเป็นหนี้นะแต่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยกับการที่ไม่มีหนี้แถมมีทรัพย์สินนะมากมายมหาศาลแต่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยคุณจะเลือกอะไรแน่นอนเขาก็ต้องเลือกอย่างหลังอย่างแรกนะและนั่นก็คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วตอนนี้นะก็คือเขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอ่นะาเขาก็ไม่ได้บอดหูเขาไม่ได้หนวก เขาก็ยังสามารถที่จ ะ, ะกินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะไอ้นี่ศีลเนี่ยนะมันก็เป็นของนอกกายเขาน่าจะมีน่าจะดีใจรู้สึกเป็นโชคนะที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยนะอยาได้เขามองว่าเนี่ย เขามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวมากมายอย่าเป็นมองแต่หนี้สินนะที่มันเกิดขึ้นถ้ามองหรือเห็นแต่หนี้สินนะัะมันทุกข์อย่างเดียวอะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกแต่ว่าชีวิตเข้อนี่ยยังมีสิ่งดีๆหลายอย่างเขายังเป็นยังมีโชคยังมีความสุขที่เขามองไม่เห็นหรือมองข้ามไป การมีสุขภาพดีเนี่ยนะหลายคนมักจะมองข้ามนะไม่คิดว่าการมีสุขภาพดีเป็นเรื่องสำคัญแต่ลองเจ็บลองป่วยก็เสรนะก็จะรู้สึกทุกทรมานขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้สึกโชคร้ายด้วยซ้ำนะเขายังมีสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะที่ดีนะไม่พิการนะตาไม่บอดเดินเหินไปไหนมาไหนได้มีสระแล้วก็อาจจะยังมี คนรักอยู่กับตัวเช่นลูกหรือพ่อแม่อันนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแหละนะเพียงแต่เขาไม่มองเขาเห็นแต่นี่สินนะก็เลยทุกก็ล่เขาฟังนะนะเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมนะกาลยานโน่หลวงพ่อพยอมนี้ท่านก็กูนี่ ธนาคารมาคงเป็นสิบล้านนะั่นนะเพื่อมาใช้พัฒนาวัดไม่ใช่พัฒนาวัดเพื่อให้มีโบส์หรือวิหารใหญ่โตนะแต่เพื่อเอามาใช้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนนะนี่สินก็ยังมีอยู่เยอะญาติโยมก็เลยถามว่าหลวงพ่อไม่เครียดไม่ทุกข์เหรอนะที่มีหนี้สินมากมายท่านก็ตอบว่าจะทุกข์ทำไมจะเครียดทำไม ไอคนที่น่าจะเครียดน่าจะทุกข์กว่าก็คือเจ้าของเงินนะเขาน่าจะเครียดว่าเราจะมีเงินจ่ายเขาหรือเปล่านะอัตามาไม่เครียดหรอกนะท่านก็มองว่าเนี่ยคนที่ควรจะเครียดมากกว่าคนที่ควรจะทุกข์มากกว่าเนี่ยคือเจ้าของเงินนะไม่ใช่ผู้ผู้ยืมนะก็พอพูดให้เขาคิดได้ในพอพูดให้เขาคิดในแง่นี้เนะี่ยเขาก็ยิ้มได้นะ คงเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยมองในแง่นี้มา ก, ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อ่าเขายังมีโชคนะที่ว่าแม้เป็นหนี้แต่ก็ยังมีทรัพย์สินนะที่จะชําระหนี้ได้เพียงแต่ว่ามันยังขายไม่ออกเท่านั้นเองนะแต่มันไม่ใช่เป็นว่าตัวเปล่าเลาเปือยนะคนที่ไม่มีหนี้คนที่มีหนี้แต่ไม่มีอะไรจะจ่ายเนี่ยโอ้ยมีเยอะมากคนเหล่านั้นทุกข์กับเราเยอะ รวมทั้งคนที่เออ่มีเงินมากมายไม่เป็นนี่เป็นศินแต่ว่าร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคห้ายถามเขาว่าเนี่ยถึงแม้ไม่เป็นหนี้นะแต่ว่าลูกเกิดติดยาขึ้นมานะหรือพ่อแม่เป็นอามาพฤกษ์อัมาพาตเนี่ยนะลองคิดในแง่นี้ดูบ้างแล้วเขก็จะเห็นเองว่าเออเ้ายังโชคดีนะาที่ เขาไม่มีปัญหานี้ก็มีแต่เรื่องหนี้สินซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องนอกตัวนพอพูดชี้ให้เขเห็นมุมนี้นะเขาก็ยิ้มได้นะแล้วก็รู้สึกมีความหวังแล้วก็บอกเขาต่อไปว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดแต่เรื่องหนี้นะหนี้เนี่ยมันมีไว้ชําระนะไม่ใช่มีไว้แบกนะเกี่ยวข้องกับ น, นี้ให้ถูกนะมีหนี้ก็ชําระไปรับผิดชอบแต่ไม่ได้มีเอาไว้แบกนะ ปัญหาก็มีไว้แก้นะม่ได้มีไว้กลุ่มนะแต่ว่าใช้ปัญหาไม่เป็นเกี่ยวข้องกับปัญหาไม่ถูก ม, มันก็เลยทุกขนะ์ปล่อยวางเรื่องหนี้เรื่องสินบ้างนะเวลาหลับนะเวลานอนก็วางเรื่องหนี้เรื่องสินลงนะเวลาทำงานนะก็วางมาลงบ้างนะมันอยู่ที่ใจเรานะเป็นเพราะเราแบกเอาไว้ก้อนหินถ้าไม่แบกมันก็ไม่ ไม่ทุกข์นะไม่เหนื่อยไม่หนักมันจะใหญ่มันจะหนักแค่ไหนถ้าไม่แบกเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะแต่ที่เดือดร้อนเพราะว่าไปแบกมันเอาไว้นั่นเองแบกเอาไว้แล้วก็ต้องรู้จักวางด้วยอ่าพอพูอย่างนี้เขาก็อ่าเริ่มนะมีอ่ากำลังใจนะแล้วก็รู้สึกว่ายังมีอ่อ มีเหตุผลนะที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้แม้ว่าจะมีนี่มีสินก็ตามคนเราเนี่ยถ้าดูดีๆนะมันจะทุกข์มากหรือน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดนั่นแหละทำนองเดียวกันความสุขนะจะมีมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความคิดนะถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยนะคิดเตลอดเปิดเปิเปงหรือจินตนาการไปในทางลบนี่มันทุกข์ทันทีเลยนะ แม้ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยแม้ว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราที่อเมริกาเนี่ยมีหมาวเท่าลยหนึ่งเขาให้นักศึกษาเนี่ยลองจินตนาการว่าเกิดเหตุร้ายกับตัวเช่นรถชนถูกไฟลวกไฟเผาหรือว่าเสียโฉมนะเขาก็มีวิธีจินตนามีวิธีชวนให้จินตนาการนะเรียกบ um นะิวอารมณ์ จนกระทั่งเนี่ยคนเนี่ยนะนักศึกษาเนี่ยก็คิดไปตามนะการาชี้นำนะของผู้ทดลองบอกว่าทุกคนเนี่ยพอจินตนัก์การเสร็จนะก็มีความทุกข์ทั้งนั้นรู้สึกว่าตัวเองทุกข์นะมีความทุกข์มีความากลุ้มอกกุ้มใจทั้ง ท, งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ แต่เพียงแค่คิดเท่านั้นแหละมันก็ทุกข์ละนะทั้งนั้นที่เรื่องที่คิดมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นจริงนะแต่พอคิดมันก็อดรู้สึกเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เพราะธรรมชาติของความคิดจิตใจเนี่ยถ้ามันหลงมันหลือเมื่อไหร่นะมันก็ไอเรื่องที่ปรุงแต่งมันก็หลงคิดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ถ้าหากว่าเรื่องที่คิดนะั้นมันเป็นเรื่องที่ลบนะก็เคยมีการให้นักศึกษาเนี่ยเขียนเติมความ เติมคําให้เต็มประโยคประโยชน์้อมีสั้นๆว่าฉันโชคดีที่ฉันไม่เป็นแล้วก็จุดๆจุดนะฉันโชคดีที่ฉันไม่เป็นจุดๆจุดให้เติมเอามีห้าประโยคแบบนี้เลยให้เติมครบทั้งห้าประโยคนะบอกเขาก็เติมว่าฉันโชคดีที่ฉันไม่เป็นมะเร็งฉันโชคดีที่ฉันไม่พิการนะฉันโชคดีที่ฉันไม่มีอ่า นี่สินหรือเป็นพ่อไหมเสร็จแล้วพอเติมเสร็จเนี่ยห้าประโยคนะก็ให้ประเมินความรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับชีวิตของตัวส่วนใหญ่แล้วบอกว่าพอใจกับชีวิตของตัวพู้งานคือรู้สึกว่าเออที่ฉันชีวิตของฉันตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกทุกข์ นะรู้สึกกล้วมไม่กุ้งใจเนี่ยแต่พอให้มาเขียนนะตอบคำถามหรือว่าเติมคำในช่องว่าง5ประโยคที่ว่าเนี่ยกลับรู้สึกดีขึ้นกับชืวอของตัวในทางตรงข้ามอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้เติมคำในช่องว่างเหมือนกันแต่ประโยคมันเปลี่ยนไปเป็นว่าฉันปรารถนาที่จะเป็นแล้วก็จุดจุดจุดคนก็เติมนะ นะฉันปรารถนาที่จะเป็นดาราฉันปรารถนาที่จะเป็นผู้บริหารเป็นซีอโอเป็นนักกีฬาเป็นคนเก่งเสร็จแล้วก็ก็ให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาให้คะแนนนะกับชื่อของตัวเองตอนนี้ประเมินความรู้สึกที่มีต่อชื่อของตัวเองตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่พอใจกับชื่อของตัวนะเพียงแค่ตอบคําถามเนี่ยนะง่ายๆเนี่ยหรือเติมคําในช่องว่างเนี่ย แค่ห้าประโยชน์เนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกของคนนะที่มีต่อชื่อของตัวถ้าตอบว่าฉันโชคดีที่ฉันไม่เป็นนั่นเป็นนี่โอ้รู้สึกเลยว่านะฉันพอใจในชีวิตแล้ะนะฉันโชคดีแล้ะแต่พอให้เติมว่าฉันปรารถนาที่จะเป็นจุดจุดจุ ด, จดเอาละคราวนี้แหละทุกเลยเพราะมันเริ่มมีการเปรียบเทียบแล้วนะฉันปรารถนาที่จะเป็นดาราเป็นนักกีฬาที่เก่งเนะี่ยอ้าแล้วตอนที่ฉันเป็นใคร มันเกิดการเปรียนเชื่อก็รู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ชื่อแล้วนะว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ความคิดของเรานะบางครั้งก็ถูกชี้นำไปด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นสื่อมวลชนโฆษณาแต่บางทีมันก็เป็นเพราะคิดไม่เป็นเองคิดไม่ถูกนะคนเราเนี่ยถ้าหาว่าคิดเป็นคิดถูกเนี่ยเจออะไรนี่มันมันไม่ทุกข์นะเดเพราะถ้า เป็นการคิดที่มันถูกทำนะสอดคล้องกับสัจธรรมความจริงมีช่างไฟฟ้าคนนึงนะเกิดโดนไฟชอ็อตไฟไฟฟ้าแรงสูงช็อตที่ขาจนกระทั่งต้องตัดขาทั้งสองข้างก็กลายเป็นคนพิ ก, การเสร็จแล้วก็ต้องเรียกว่าแทบจะช่วยตัวเองไม่ค่อยได้แล้วยังปรับตัวกับ ความพิการได้ไม่ทันลยภรรยาก็ทิ้งไปลองนึกภาพนะอคนบางคนเนี่ยเจอแบบนี้เขาจะรู้สึกเออเคราะซ้ำกรรมซัดทําไมเคราะห์รายแบบนี้ก็มีคนไปถามด้วยความเห็นใจถามผู้ชายคนเนี้ว่ารู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งไปแล้วตอบว่าไม่รู้สึกอะไรนะ พ่อแม้กับทั้งขาของผมเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้ภรรยานเนี่ยมันอยู่กับผมได้ยังไงนะแกตอบนี่นะถ้าแกฉลาดคิดนะแทนที่จะคิดว่าโอ้โชคร้ายข้อซ้ำกรรมซัดแกกลับได้แง่คิดนะจากเหตุการณ์แทนที่จะทุกข์เพราะเสียขาก็กลับเห็นความจริงเนาะว่า มันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเลือกเป็นของเราได้เลยนะแม้กระทั่งขาเนี่ยนะอยู่กับตัวเองมาสามสิบสี่สิบปีแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปนะและในเมื่อขานี่มันยังไม่อยู่กับเราเลยนะจะหวังให้คนอื่นอยู่กับเราได้อย่างไรเขาก็ทำใจได้นะ เพราก็เห็นสัจธรรมนะจากการที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปอันนี้เรียกว่าเขามองนะมองอย่างสอดคล้องความเป็นจริงนะซึ่งก็คือมองอย่างถูกธรรมนั่นแหละนะเพราะธรรมมาก็คือความจริงถ้าเราไม่มีธรรมหรือไม่อาศัยธรรมมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามองผิดมองพลาดมองขว้ยมองเขว้เสร็จแล้วเราก็จะทุกข์เอง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะธรรมะเนี่ยถ้าเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะมันจะช่วยกำกับความคิดของเรานะหรือว่านำใจของเราเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่แค่ทำความดีไม่ไปเบียดเบียนใครนะแต่รวมถึงว่าทำให้ตัวเองไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าเห็นความจริง อันนี้เราต้องรู้จักใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นะธรรมะกินก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วเราจะเห็นความสําคัญนะก็แต่เมื่อเราทุกข์นะในยามที่เราสุขเราจะไม่ค่อยเห็นความสาคัญทา้าที่ในยามสุขเนี่ยธรรมะก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็อาจจะเหลืงในสุขนะจนเสียผู้เสียคนนะมีเยอะแล้วนะ เหลืงในสุกนะได้โชคได้ลาบถู ร, ตตรัตตอลี่ขายที่ได้ได้รางวัลที่หนึ่งเสร็จแล้วก็กลายเป็นคนที่จมไม่ลงกลายเป็นคนที่ติดสุรานะเพราะว่าเที่ยวเล่นเสพดื่มนะบางคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าพอพอเสพพอเที่ยวพอเล่นจนติดแล้วเนี่ยมันถอนตัวไม่ขึ้น ไอ้เงินที่มีก็หมดเงินรางวัลนั้นนะคราวนี้ก็ต้องเอาของเก่ามามีที่ก็ขายนะงานการก็ไม่ทำนะกลายเป็นชีวิตตกต่ำไปเลยหรือบางคนก็ดีใจนะเมามาย ก, กินเหล้าเ ม, มามมยขับรถเกิดอุบัติเหตุนะรถแหกโค้งตกคูตายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะ ประมาดหลงระเริงในความสุขนะหรือบางคนก็อาจจะคล้าวคล้าวจากเหตุการณ์เหล่านี้แต่ว่าพอพอทรัพย์สมบัติมันหมดนะความสุขมันหายไปทำใจไม่ได้นะไม่สามารถจะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะมันติดในสุขเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เพราะว่าประมาทนะคิดว่า ถ้ามีราบแล้วก็จะมีไปตลอดลืมคิดไปว่ามีราบกับเสื่อมราบนะมียศกับเสื่อมยศเป็นของคู่กันธรรมามันช่วยทำให้ระวางใจถูกนะแล้วมันทำให้เรารับมือกับกับเหตุการณ์ความทุกข์ได้ในช่วง ใ, ใกล้ๆกันเนี่ยเมื่อบ่ายก็มีโยมอีกคนหนึ่งมาปรึกษาคนนี้ดูทุกข์กว่าคนเมื่อที่พูดถึงเมื่อสักครู่อีกนะดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมาสิบกว่าปี นะแล้วแม่ก็มีอาการแย่ลงเรื่อยๆตัวเองก็ลา ง, งานเรียกว่าทิ้งอนาคตมาดูแลแมนะ่ก็ดูแลอย่างดีนะน่านับถือมากเรียกว่าอยู่กับแม่ย4ิบสี่ชั่วโมงเขาบอกเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกท้อถามว่าเหนื่อยอะไรนะเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจมากกว่า เขาบอกเหนื่อยใจนะความท้อส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคิดว่าเนี่ยฉันจะต้องดูแลแม่ไปอีกนานเท่าไหร่นะมันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะความเหนื่อยแต่งที่บอสนะเขาก็ยอมรับว่าที่เหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจเหนื่อยใจเพราะอะไรเพราะมีความวิตกกังวลเวลาดูแลแม่ก็มีความวิตกกังวลนกลัวแม่จะมีอาการทรุดลงนะ กลัวว่าจะมีเกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะว่าแม่นี้ก็ต้องตอนนี้ก็เจาะคอให้อาหารทางสายยางนะไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยความวิตกกังวลก็ดีนะไอความรู้สึกท้อว่าตัวเองต้องดูแลแม่อย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหรนะ่บางทีทําให้เกิดความทุกข์มากในบางช่วงบางขณะถึงกับรู้สึกว่าอยากจะให้แม่ไปเร็วๆ ทั้งั้งที่รักแม่นะแต่ว่าบางทีคนลรอมก็มีโอกาสที่จะเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นเพราะความท้อความเหนื่อยก็เลยแนะนำเข้าไปว่าเนี่ยเวลาดูแลแม่ก็ดีนะไม่ว่าจะดูแลทางกายหรือว่าเวลาจะไปหาหมอเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแม่หรือเอายามาให้แม่เนี่ย พยายามทําใจให้อยู่กับปัจจุบันนะอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องดูแลแม่เนี่ยเขาไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะแต่เพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันทําให้เหนื่อยใจจริงๆก็เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่นะทํางานก็ดีเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยกายหรอกมันเหนื่อยใจและที่เหนื่อยใจเพราะความวิตกกังวลคิดไปล่วงหน้า แล้ไม่ได้คิดล่วงหน้าไปในทางดีคิดล่วงหน้าไปในทางร้ายนะพอคิดไปในทางร้ายนี่มันทุกข์เลยนะก็เหมือนกับอแบบทดสอบที่ได้พูดถึงนะที่ในอเมริกาเนี่ยคนเราพอคิดไปในทางร้ายเนี่ยแม้จะเป็นแค่จินตนาการมันก็ทําให้รู้สึกแย่และพอพอคิดต่อไปว่าเนี่ยนะบางทีเรคิดว่าเนี่ยฉันจะต้องดูแลแม่ไปอีกนานเท่าไหร่เนะี่มันก็ทําให้ห่อเหี่ยวนะ ก็บอกเขาว่าเนี่ยนอกจากใจอยู่กับปัจจุบันแล้วนะเวลาดูแลแม่ก็ยังไม่ต้องอย่าไปให้อยู่ให้ใส่ใจกับสิ่งที่เราทำอย่าเพิ่งเป็นคิดถึงสิ่งเลวร้ายที่มันจะตามมาเพราะมันยังไม่เกิดอะไรที่ยังไม่เกิดจะไปกังวลทำไมนะโอเควางแผนป้องกันได้นะถามหมอว่าเนี่ยอาการของแม่สุดหนัก ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คอยป้องกันเอาไว้ถ้าหายใจไม่ออกก็เตรียมเครื่องช่วยหายใจซึ่งตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วงั้นถ้าเราจะคิดถึงอนาคตก็ลองคิดเพื่อการเตรียมตัวไม่ใช่เพื่อวิตกกังวลจนกระทั่งไม่เป็นอันทําอะไรนมันต่างกันนะคิดถึงอนาคตเพื่อเตรียมตัวซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาปัญหาบรรเทาปัญหาแต่ถ้าคิดถึงอนาคตไม่เป็นนะมันจะจิตใจมันจะท้อมันจะ วิตกกังวลแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเนี่ยทุกชา้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะก็ให้คิดแต่เพียงว่าฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดว่าเนี่ยฉันจะต้องดูแลแม่แบบนี้ไปอีกกี่ปีหรือกี่ชาตินะคิดแบบนี้ไปนี่มันห่อเหี่ยวนะหมดแรงเลยนะคิดแค่วันพรุ่งนี้ก็คิดแค่วันนี้ก็พอพอจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่า คนดูแลเองก็อาจจะมียนเป็นไปหรือแม่ก็อาจจะจากไปก็ได้นะพุ่งนี้เนี่ยมันคือความไม่แน่นอนภาษิต ท, ที่เบรบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะระหว่างพุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปเชื่อมีพุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้านะบางคนเนี่ยนะจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะแล้วเยอะด้วยนะคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาเนี่ย ไม่มีวันพรุ่งนี้นี่มีเยอะมากในโลกนี้มีประมาณแสนห้าหมื่นคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเราแล้วเราก็ไม่รู้ ด, ด้วยว่าเนี่ยไอหนึ่งในแสนห้าเนี่ยคือเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเอาคิดแค่นี้พอว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดถึงอีกกี่ปีนะที่จะต้องทางานนี้แล้วจะรู้สึกเลยว่ามันมันเบานะมันเบาลง ก็เหมือนกับที่แนะนําคนที่มาจำภรษาเนะว่าเนี่ยอย่าอย่านับถอยหลังอย่าไปคิดว่าโอ้อีกต้องเก้าสิบวั น, นกว่าจะศึกกว่าจะออกราษาแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วหรือว่าทําเฉพาะเช้านี้ให้ดีที่สุดเช้านี้มีประมาณสี่ชั่วโมงก็ทําให้เต็มที่นะแล้วจะรู้สึกว่ามันเบาลงนอีกอย่าหนึ่งที่แนะนําเขานะี่ยคือให้รู้จักปล่อยวางบ้างเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาทิ้งแม่ไม่ได้เลย แม้จะมีคนดูแลก็ไม่ไว้ใจอาตมาแนะนำให้เขาไปพักผ่อนบ้างออกไปเดินเล่นบ้างเพราะว่าจำเจยอยู่กับแม่เนี่ยดูแลแม่ย4ิบสี่ชั่วโมงในห้องสี่เหลี่ยมเนี่นะดูแลแค่เดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งก็แย่แล้วนี่เขาดูมาเป็นสิบปีแล้วนะมีหาเวลาให้กับตัวเองออกไปเดินเล่นบ้างเขาก็ไม่กล้าออกไปนานแม้กระทั่งมาหาที่วัด น, นี่ก็เรียกว่าใช้เวลาเตรียมการอยู่นานกว่าจะ กว่าจะออกมาได้ไม่ใช่ไม่มีคนดูแลนะแต่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจออกมานี่ก็ยังห่วงกังวลถึงแม่แนะนําให้เขาออกไปเดินเล่นบ้างทุกเช้าก็บอกก็เคยทําแต่ว่ามันก็ก็เป็นห่วงต้องรีบกลับก็แนะนำไว้เขาไว้ใจไว้ใจคนอื่นบ้างแล้วก็รู้จักปล่อยวางบ้างนะ บางคนไม่กล้าไม่อยากปล่อยวางหรือว่าไม่ไม่กล้าปล่อยวางเพรารู้สึกผิดนะมันไม่ใช่เป็นแค่นิสัยที่ปล่อยวางไม่ได้อย่างเดียวมันแต่มันเป็นเพราะรู้สึกผิดว่าถ้าเราปล่อยวางเรื่องแม่เนี่ยเราจะเป็นลูกออ ก, กตัญญูหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่ลูกเท่านั้นที่คิดแบบนี้นะแม่หลายคนก็เป็นนะแม่หลายคนก็ห่วงลูกจนลูกอึดอัดแม่ แม่ก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วลูกก็สี่สิบห้าสิบแล้วมีลูกหลายคนพาแม่มาหาตัมมาแล้วก็ขอให้ตัมมานี่พูดกับแม่ว่าอย่าห่วงลูกนะลูกก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าจะไม่ห่วงได้ยังไงนี่มันลูกฉันนแม่คงรู้สึกผิดนะถ้าไม่ห่วงลูกนะนะแล้วที่จริงพอห่วงลูกแล้วตัวเองก็ทุกข์นะลูกก็อึดอัดลูกหลายคนก็เหมือนกันนะ อย่างไรนี้เนี่ยเขาคงรู้สึกผิดว่าถ้าเขาไม่ห่วงแม่เนี่ยก็เหมือนกับไม่รักแม่นะแต่ต่อมาบอกเลยวนะ่าถ้าคุณไม่ไม่วางเรื่องแม่ออกไปจากใจบ้างนะสุดท้ายผลเสียจะเกิดขึ้นกับแม่เองเพราะเมื่อคุณเนี่ยไม่รู้จักปล่อยวางคิดถึงเรื่องแม่ตลอดเวลาคุณจะเครียดแล้วเมื่อคุณเครียดแล้วเนี่ยนะคุณอาจจะเผลอปี๊ดใส่แม่ เวลาแม่ดือ้อหรือแม่ไม่ทําตามคุณหงุดหงิดเนี่ยนะแล้วด้วยความปรารถนาดีในความปรารถนาดีเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นโทษนะเพราะว่าพอแม่ไม่ทําตามที่ลูกเห็นว่าดีหรือว่าไม่ทําตามคําสั่งลูกเนี่ยลูกก็โกรธปี๊ใส่แม่ตวาดใส่แม่เสร็จแล้วก็มาเสียใจแม่ก็ทุกข์กลายเป็นว่าเนี่ยฉันเป็นภาระของลูกเนี่ยแม่อยากตายขึ้นมาทันทีเลย เพราะว่าจะได้ไปเป็นภาระของลูกแม่อยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะาตัวสัวตัวเป็นภาระส่วนลูกนี่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าตว่าใส่แม่ไปแล้วเสียใจทั้งหมดนี่เกิดพ่อแหละพราะว่าความเครียดความเครียดมาจากไหนความเครียดเกิดจากการที่ปล่อยวางแม่ออกไปจากใจไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้ไม่ได้ให้ปล่อยวางตลอดนะให้ปล่อยวางตอนที่ไม่ได้อยู่กับแม่นะตอนที่เวลากินเวลานอน เวลเราออกไปพักผ่อนเว็เราออกไปเดินเล่นนะก็วางบ้างเพื่อให้ใจได้พักแล้วการทำง้นละ่ะมันจะดีกับแม่นะมันมีคนมันมีคนดูแลผู้ป่วยหลายคนนะที่ตั้งใจปรารถนาดีกับผู้ป่วยมากนะดูแลใจใสตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเลยนะบางทีคนป่วยบอกให้ผู้ดูแล อาจจะเป็นลูกหรือแม่เนี่ยไปพักผ่อนผู้ดูแลไม่ไปเพราะรู้สึกผิดนะถ้าว่าจะทิ้งเขาไปแต่เสร็จแล้วเนี่ยไอการที่ไปอยู่กับเขาอย่างจำเจเนี่ยมันก็เครียดพอเครียดแล้วก็เผลอทำร้ายทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายด้วยนะผู้ป่วยเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเพราะความเครียดนะงั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางนะ เราสามารถจะทำร้ายคนที่เรารักโดยไม่รู้ตัวเสร็จแล้วเราก็มาเสียใจพนะอเสียใจแล้วก็นะยิ่งทำให้การดูแลรักษามันแย่ลงการดูแลรักษาเนี่ยนะมันอยู่มันจะเอาปริมาณอยู่แต่ต้องเอาคุณภาพด้วยนะถ้าคนดูแลรักแม่รักษาใจให้ดีแม่จะอยู่กับแม่ยี่บสี่ชั่วโมงนะแต่แม่ก็รู้ได้ว่า ให้คนดูแลมันเครียดนะแล้วแม่ก็เลยเครียดตามแม่ก็ทุกตามนะอันนี้เขาก็เริ่มเห็นนะว่าเออการปล่อยวางนี่มันมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของลูกนะมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ดูแลเพราะไมพอถ้าปล่อยวางแล้วเนี่ยจิตใจผ่อนคลายผ่อนคลายและการดูแลก็จะมีคุณภาพนะเมื่อการดูแลมีคุณภาพเนี่ยผู้ป่วยก็ได้รับประโยชน์ นะไม่ใช่ทำทาแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพนี่เป็นอย่างนี้กันเยอะดูแลแม่ยี่บสี่ชั่วโมงแต่ไม่มีคุณภาพเลยนะเพราะว่าเครียดนะแต่ถ้ามีเวลาให้กับท่านนะสักสิบชั่วโมงแต่มีคุณภาพเนี่ยทำด้วยน้ำใสใจจริงนะช่มชื่นเบิกบานนะให้กำลังใจแม่นะเวลาท่านท้อก็พูดให้กำลังใจนะอันนี้ก็จะทำให้คนไข้เขาสบายใจ คนไข้จะมีความทุกข์ใจนะแต่ว่าพอได้รับการดูแลทางใจดีจิตใจก็สบายช่วยคนไข้ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเนะี่ยเป็นเรื่องสำคัญและจะทำงั้นได้เนี่ยคนดูแลก็ต้องนะไม่ทุกข์ไม่เครียดและจะไม่ทุกข์ไม่เครียดแล้วก็คือต้องรู้จักวางบ้างนะไม่ได้บอกให้วางตลอดเวลาวางเฉพาะเวลาไม่ได้อยู่กับแม่เวลาไม่ได้ดูแลแม่ก็วางถะ เชนเวลานอน่ะก็วางซะมีลูก ม, มีลูกชายมาดูแลแทนเอาเราก็วางซะตอเมื่อเรามาดูแลท่านอา่ะถึงค่อยใส่ใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันความวิตกกัวงวลก็จะหายไปเราก็จะใส่ใจเต็มที่เรียกว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมะเหมือนกันนะเป็นเรื่องธรรมะที่จะมาช่วยในการอารักษาใจให้ดีการมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทํา น้อมนำใจให้อยู่กับปัจจุบันนะไม่ปรุงแต่งกับเรื่องอนาคตจนกระทั่งวิตกกังวลเสร็จแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่เป็นอันทาอะไรหรือว่าการคิดแต่เรื่องอนาคตว่าภาระที่จะเกิดขึ้นมันจะยืดเยื้อไปนานเท่าไหร่ก็ทำให้ท้อพอท้อม า, มากจิตก็คิดอกุศล น, นะว่าเมื่อไหร่แม่จะไปสักทีฉันจะไม่ไหวยอยู่แล้วในเมืองนอกนี่นะ บางทีเนี่ยคนดูแลนี่ไม่ไหวนะฆ่าตัวตายนะบางคนก่อนจะฆ่าตัวตายฆ่าคนป่วยก่อนเพราะว่าคนป่วยก็มีแค่ตัวเองเนะี่ยขืมลูกเนี่ยที่ดูแลอันนี้เคยเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันอยู่กันสองคนนะแต่คนที่ดูแลไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวทําใจไม่ได้กลุ้มเครียดนะ แล้วก็พอเครดแล้วก็ทำอะไรไม่ดีกับแม่ไว้เยอะรู้สึกผิดตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่รู้ว่าถ้าตัวเองตายนี่แล้วแม่จะอยู่ยังไงก็เลยฆ่าแม่ด้วยนะจากการที่จากเริ่มต้นจากการเป็นคนลูกกตัญญูนะดูแลด้วยความอุทิศตัวเสียสละแต่สุดท้ายมาลงแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะการวางจิตวางใจไม่ถูก อันนี้ก็ฝากาไว้นะสำหรับคำนี้